การฝึกกรรมฐานจริงๆไม่มีอะไรยากนะหลักการมันง่ายๆนิดเดียวคือเรียนรู้ตัวเองรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเราเรียนรู้ตัวเองได้แล้วเรื่องเราเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของจิตใจแล้วมันจะเปื่อ พุทธเจ้าท่านบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงลุง่ม้วาหลุดพ้นแล้วเนี่ยทิศทางที่เราภาวนาไปนะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจที่เหลือจิตมันจะเป็นไปเอง มันจะเบื่อหนายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นนะแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วด้วยตัวของตัวเองจิตเป็นเองสิ่งที่เราต้องพาจิตทำก็คือพาจิตมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจให้มากการเรียนรู้ความจริงของจิตใจหรือของร่างกายไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยเรื่องตรงไปตรงมาที่สุดใช้ความสังเกตเอา สังเกตอยู่ในร่างกายสังเกตอยู่ในจิตใจของเราในร่างกายเนี้ยมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันสุขหรือมันทุกข์มันเป็นตัวเราที่แท้จริงหรือว่าไม่ใช่จิตใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นตัวเราจริงเราสั่งได้หรือสั่งไม่ได้ การมาสังเกตความจริงแค่นี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยไม่ใช่เรื่องยากด้วยเมื่อตอนออกพรรษาใหม่ๆ ม, มีเน้นศึกไปองค์หนึ่งเน้นอายุเก้าปีสิบปีอนะไรนั่เก้าปีเน้นมาเรียนกับหลวงพ่อไม่กี่วันนะเห็นจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานนการดูจิตดูใจไม่ใช่เรื่องอะไรที่ลึกลับเลยเด็กๆ ก, ก็ทำได้ พวกเราคิดมากเกินไปก็เลยทำไม่ได้สักทีอย่างใจเราโกรธรู้จักไหมโกรธโลภรู้จักไหมฟุ้งซ่านรู้จักไหมหดหูเบื่อเซงเนยนะแต่และตัวรู้จักนั่นะนะอิจฉาเป็นไหมอิจฉาก็เป็นในความรู้สึกนา น, า น, านชนิดนะแค่ว่าตอนนี้รู้สึกยังไง ตอนนี้กำลังงงรั่วงงตอนนี้กำลังปลื้มใจว่ารู้เรื่องแล้วโว้ยธรรมะมง่ายแค่นี้เองง่ายเหลือเกินนะซาขึ้นมาเกิดความซารู้สึกง่ายนะเดี๋ยวก็รู้ง่ายไหมง่ายเนี <c oughs> ่ยใจมันขำรู้สึกไหมใจมันขำยากก็เลยต้องมาถามไหมขำหรือไม่ขำนะ ไม่มีใครขำ ม, มาอย่างนั้นใจที่ธรรมดาที่สุดเนี่ยพอกระทบอารมณ์แล้วนะใจมันเปลี่ยนแปลงอย่างฟังหลวงพ่อพูดไปนะใจสงบบ้างใจเบิกบานบ้างสงบบ้างเบิกบานบ้างสงสัยบ้างเนียใจมันสลับไปอย่างเนี้ยแค่รู้อย่างที่เขาเป็นเท่านั้นแหละรู้แล้วเราจะได้เห็นว่าใจของเราเนี่ยไม่เที่ยง ใจที่มีความสุขก็ไม่เที่ยงใจที่มีความสงบก็ไม่เที่ยงใจที่เบิกบานก็ไม่เที่ยงใจที่หลงไปก็ไม่เที่ยงอันนี้สำหรับนักปฏิบัติสำหรับคนในโลกเนี่ยใจหลงทั้งวันไม่ไม่เคยมีที่จะไม่หลงเลยนะแต่มันก็ไม่เที่ยงเพียงแต่ว่าจิตที่หลงเนี่ยมันเกิดซ้ํซ้ำซ้ำกันอยู่ตลอดเวลาจิตไม่เที่ยงนะจิตก็เกิดดับเช่นเดียวกับสภาวะธรรมอย่างอื่นๆนั่นแหละ มาเรียนรู้ความจริงของจิตใจไปก็ะจะเห็นเลยจิตใจมีแต่ของเปลี่ยนแปลงมีแต่ของไม่เที่ยงสุข ก, ก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวลบกรธหลงก็ชั่วคราวนะเนี่ยสังเกตตัวเองไปหรือสังเกตเข้ามาให้ถึงตัวจิตจิตที่เป็นตัวรู้ก็ชั่วคราวจิตที่เป็นตัวคิดก็ชั่วคราวจิตที่เป็นตัวไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสที่กายก็ชั่วคราวหมดเลย อนนี้เรียกว่าเราทำวิปัสนาแล้วเราเห็นความจริงวิปัสนาไม่ใช่สิ่งที่ลึกลับอะไรมาจากคำว่าวิกัปปะนาปัสนาเพราะการเห็นวิเปรว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นไตรลักษณ์แค่นั้นเองดูให้เห็นไตรลักษ์เพราะฉะนั้นเห็นท้องพองยุบเป็นวิปัสนาไหมไม่เป็นเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าคินวิปัสนายังมีจิตเป็นคนดูนะ เห็นหนัานกายหายใจออกให้ยใจเข้าขึ้นไม่ปัศนายัาง่ยงยั่งตัวนั้นเรียกว่านามรูปปริเฉตยานแยกรูปนามออกได้เท่านั้นเองต้องเห็นไตรลักษณ์นะถึงจะเห็นความจริงลักษณะนะั้นมีอยู่สองอย่างหนึ่งเรียกว่าลักษณะเฉพาะความโลภก็มีลักษณะเฉพาะของความโลภความโกรธก็มีลักษณะเฉพาะของความโกรธไม่เหมือนกัน ความสุขก็มีลักษณะเฉพาะความทุกข์ก็มีลักษณะเฉพาะงั้นสภาวะธรรมทั้งหลายนี่มีลักษณะเฉพาะของตัวเองรูปในร่างกายนี้ก็มีลักษณะเฉพาะของมันธาตุดินน้ำไฝลมก็มีลักษณะเฉพาะของธาตุดินน้ำไฟลมความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีลักษณะเฉพาะของแต่ละตัวแต่ละตัวงั้นสภาวะธรรมทั้งหลายมีลักษณะเฉพาะตัว มันทำให้เราสามารถแยกได้ว่าสภาวะทำอย่างนี้เป็นคนละอันกับสภาวะทำอีกอย่างหนึ่งนะทำไมเราต้องหัดแยกเราต้องมาหัดรู้สภาวะนะเพื่อต่อไปเราจะได้เห็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากกว่าลักษณะเฉพาะการเห็นลักษณะเฉพาะของสภาวะเนี่ยยังไม่ขึ้นวิปัสสนาอย่างความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธนีย่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนา ความโลภเกิดขึ้นรู้ว่าโลภยังไม่ขึ้นไม่ปั ส, สนาต้องเห็นสามัญยลักษณารักษณะร่วมนะลักษณะเฉพาะเนี่ยยังไม่ขึ้นไม่ปั ส, สนาต้องเห็นลักษณะร่วมของสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่เป็นลักษณะร่วมเรียกว่าสามัญยลักษณะคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งที่ไม่เที่ยงก็คือสิ่งซึ่งมีแล้วมันไม่มีนะมีแล้วมันหมดไปสิ้นไปเรีวยกว่ามันไม่เที่ยง สิ่งที่เป็นทุกข์ก็คือสิ่งซึ่งกำลังมีอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปให้ไม่มีนะอนัตตาเนี่ยคือสิ่งทั้งหลายจะมีหรือสิ่งทั้งหลายจะตั้งอยู่หรือสิ่งทั้งหลายจะหมดไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครทั้งสิ้นแต่เป็นไปตามเหตุนะตามเหตุตามปัจจัยของมันเนี่ยคืออนนีจังทุกขังอนัตตาอนนีจังก็คือของมีแล้วก็ไม่มี ทุกขังก็คือของที่กําลังมีกําลังถูกบีบขั้นให้ไม่มีอนาตตาก็คือของจะมีหรือของไม่มีสั่งไม่ได้เนี่ยเราต้องเห็นสามัญลักษณะหรือลักษณะร่วมของสภาวธรรมทั้งหลายก่อนที่เราจะเห็นลักษณะร่วมของสภาวธรรมทั้งหลายเราก็ต้องเห็นสภาวธรรมแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอัา น, านไปก่อนนะ อย่างความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ความโกรธก็ดับไปความโลภเกิดขึ้นเรารู้ความโลภก็ดับไปเนี่ยเราดูไปทีละอันทีละอันทีละอันจนวันหนึ่งนะใจมันปิ๊งขึ้นมามันรู้ลักษณะร่วมของทุกตัวที่เราเคยรู้เคยเห็นว่าทุกๆตัวที่เคยรู้เคยเห็นเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นบังคับไม่ได้เนี่ยปัญญาในทางธรรมมันเกิดด้วยวิธีนี้ด้วยการเห็นสภาวะซ้ําำๆเข้าไป การที่เรารู้สภาวะเฉพาะลักษณะเฉพาะนะมันจะช่วยให้เราเห็นเช่นความโกรธเกิดขึ้นแล้วความโกรธหายไปเนี่ยเราจําได้ลักษณะของความโกรธเป็นอย่างนี้พล้วลักษณะ น, นี้มันหายไปแสดงว่าความโกรธนี้มันหายไปแล้วงั้นการที่เรารู้ลักษณะเฉพาะเนี่ยทําให้เราสามารถแยกสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวออกจากกันได้เมื่อแยกออกจากกันได้แล้วต่อไปจะเห็นลักษณะร่วมของมัน ทุกตัวเนี่ยเกิดแล้ดับทั้งสิ้นนะนี่คือเหตุผลว่าเราจะปฏิบัตินะวิธีที่เราจะปฏิบัติงั้นหากรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นคนไทยมีลักษณะร่วมไหมที่ทําให้เรารู้ว่าคนไทยอย่างไปต่างประเทศเนี่ยเห็นคนนี้เดินมารู้เลยแล้วว่าพวกกระเลียงกระเลียงนี้เป็นคําเขาเรียกอะไรนะสมญา คนไทยเรียกตัวเองว่ากระเลียงโอ้นี่กระเลียงด้วยกั น, นหรืออย่างคนจีนไปเดินอยู่ในปารีสเรารู้ไหมว่าคนจีนมันมีอัตลักษณ์ใช่แล้วก็ทุกๆคนมันมีลักษณะร่วมกันอยู่คนไทยแต่และคนนิสัยไม่เหมือนกันนี่เรียกมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกันแต่มันมีลักษณะร่วมกันอยู่ที่ทำให้รู้ว่าเป็นคนไทย เช่นเวลามีปัญหาช่วยช่วยกันนะช่วยกันเต็มที่เวลาปัญหาหมดกัดกันแหลกเลยนะอันนี้เป็นอันตลักษณ์ในเะนี่ยทำให้รู้ว่านี่คนไทยถ้าอยู่ดีมีสุขก็ยังสามัคคีกันไม่ใช่หรอกไม่ใช่คนไทยนะนะแต่เวลายามมีกริดใช่ไหมเด็กติดท่ามก็ไปช่วยกันใชนะ่ไหมพระเจ้าอยู่หัวองค์กรสวรรค์ทุกคนพยายามช่วย ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ตัวเองทาได้เนี่เป็นลักษณะซึ่งฝรั่งมันไม่มีไม่เคยเห็นไม่รู้จักหรอกแต่คนไทยมีลักษณะที่ช่วยกันเป็นลักษณะเฉพาะมันมีลักษณะเฉพา ะ, ะ, พาะใช่ัลักษณะร่วมลักษณะร่วมของคนไทยกับคนประเทศอื่นก็คือมีแขนมีขามีอวัยวะต่างๆเหมือนๆกันมีลักษณะร่วมกันแต่จะแยกได้ เราจะดูว่าคนในโลกนี้ตายเราไปเห็นคนทั้งโลกพร้อมๆกั น, นดูไม่ออกเลยว่าใครเกิดใครตายเราแยกออกมาทีละคนเราก็จะเห็นคนนี้เกิดคนนี้ตายคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้งั้นเราแยกสภาวะออกมาเพื่อจะได้เห็นสภาวะนั้นชัดๆมันทำงานออกมาแล้วเราต้องรู้จักลักษณาเฉพาะเพื่อจะได้รู้ว่าไอ้ตัวนี้แหละเกิดขึ้นในตัวนี้แหละตั้งอยู่ยตัวนี้แหละดับไปนะการที่เห็นลักษณะเฉพาะเนี่ยนะ ว่าจะช่วยให้เราแยกสภาวะอันหนึ่งกับสภาวะอีกอันหนึ่งได้ถ้าหากสภาวะทั้งหลายมารวมกันเป็นกระจุกเนี่ยเราจะดูเกิดดับยากยกตัวอย่างร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยวัตถุธาตุจานวนมากมารวมกันการที่จะเห็นธาตุเกิดดับในร่างกายนี้ยากมากเลยเพราะมันรวมกันอยู่นะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายกับจิตใจมก็ไปรวมกันอยู่หมดนะเราจะดูความเกิดดับ ยากมากเลยแต่ถ้าเราแยกสภาวะได้โลภเป็นอย่างนี้โกรธเป็นอย่างนี้นะเราจะเห็นโลภเกิดแล้วก็ดับโกรธเกิดแล้วก็ดับแต่ถ้าดูเป็นมวลรวมเป็นภาพรวมล้วก็จะดูเกิดดับไม่ออกนะอย่าในร่างกายเราเนี่ยมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลามีเซลล์ที่เกิดเซลล์ที่ตายตลอดเวลาเราไม่รู้หรอก แต่ถ้าเราเอาส่วนหนึ่งมาศึกษามาวิเคราะห์ดูมาส่องกล้องดูเลยเห็นมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานี่เราแยกส่วนออกมานะแยกสิ่งที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยแยกออกมาเป็นส่วนย่อยๆเป็นสภาวะธรรมนะเป็นสภาวะแต่ละสภาวะแล้วแต่ละสภาวะนะั้นมันจะแสดงลักษณะร่วมกันของทุกๆอันให้ดูว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างบังคับไม่ได้ เราอยากหัดดูไม่ใช่เรื่องยากอะไรอย่างใจเราขี้โกรธเราก็จะเห็นนะใจเราเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายโกรธ ว, วันวันนึมีอยู่แค่เนี้ทํากรรมฐานอื่นไม่เป็นเลยเห็นอยู่แค่เนี้ว่าใจเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธแค่นี้ก็พอแล้วะอีกอางานเราก็แค่ทําสมถะให้ใจได้พผ่อนเป็นระยะระยะไปแล้วเวลาเดินปัญญาก็ทํานิดเดียวนี่แหละใจโกรธใจไม่โกรธแค่นี้ก็พอแล้วอย่างหลวงพ่อเวลาภาวนานะ ตอนที่ภาวนาเนี่ยหลวงพ่อดูนิดหดียวอยจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้นี่เองจิตที่เคลื่อนนั่นคือจิตที่มีโมหะชนิดอุทัจษะจิตที่ไม่เคลื่อนมันตั้งมั่นเป็นคนรู้ทันจิตที่เคลื่อนตัวนี้เป็นกุศลจิตที่เคลื่อนเป็นอกุศลจิตอกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับเราไม่รักษาไว้ทุกอย่างเกิดแล้วดับงั้นเราเห็นลักษณะร่วมกันระหว่างจิตที่ไหลไปกับจิตที่ตั้งมั่น มีลักษณะเหมือนกันก็คือเกิดแล้วตับเหมือนกันนะทนอยู่ไม่ได้นานแล้วก็บังคับไม่ได้จริงเนี่ยเราจะดูสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวไปจนเราเข้าใจลักษณะร่วมคือสามัญลักษณะอย่างนั้นเรียกว่าเรารู้ความจริงของความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วสังขารทั้งหลายทั้งปวงความรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ถ้าเห็นอย่างนี้ใจจะเบื่อหนายทุกวันนี้ใจไม่เบื่อหน่ายเพราะอะไรเพราะเราเห็นแต่ ว, ว่าสุขเกิดขึ้นมาแล้วหายไปเดี๋ยวก็มาอีกแล้วทุกเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็มาอีกก็ไล่มันไปหาความสุขเข้ามาเดี๋ยวความทุกข์ก็หนีไปเราก็คิดดิ้นรนอยู่อย่างนี้เราไม่ได้เห็นความจริงว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวถ้าเห็นน่ะเห็นตามความเป็นจริงเราจะน่าเบื่อนะ ดิ้นรนหาความสุขแทบเป็นแทบตายได้ความสุขมาแล้วก็อยู่ไม่ได้จริงไม่นจะเหน็ดเหนื่อยไปทําไมเพื่อจะดิ้นรนหาความสุขสักขนาดนั้นเราดิ้นรนหาความสุขมากมายรู้สึกไหมแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีตลอดชีวิตถ้าเราลึกชาติได้ก็จะรู้ว่านับพบนับชาติไม่ถ้วนที่ดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์มา วันใดสติปัญญาแก่กล้าเนีเห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงการดิ้นรนนั้นจะเลิกเลยไม่รู้จะดิ้นหาสวรรค์วิมานเลยให้เหนื่อยเปล่าๆดิ้นหาความสุขแล้วความสุขก็ไม่เที่ยงดิ้นหนีความทุกข์หลือความทุกข์ก็บังคับมันไม่ได้มันมีแต่เรื่องของความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยใจมันเห็นความจริงมันจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือในที่สุดมันหลุดพ้นหลุดพ้นก็นคือมันเป็นอิสระไม่มีอะไรมาเร้า ให้มันก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงได้อีกต่อไปแล้วมันมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขของพระนิพพานความสุขของสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากความยึดถือพ้นจากกิเลสพ้นจากความเสียดแทงทั้งหลายความสุขก็เสียดแทงใจเรานะใครเคยเห็นตรงนี้บ้างยกมือให้ดูหน่อยความสุขก็เสียดแทงใจนะความทุกข์เสียดแทงในเรื่องไม่แปลกหรอกความสุขก็เสียดแทงใจ ไปดูเข้าไปสิเดี๋ยวจะเห็นพอเห็นเข้าไปนี่นะความสุขก็ไม่น่ารักน่าพอใจอีกต่อไปแล้วเนะี่ยแต่ก่อนเราจิตเราหยาบนะต้องอารมณ์ที่แรงๆไม่ถูกใจนะมันถึงจะเสียดแทงใจอารมณ์ที่เพลิดเพลินดีใจถูกใจนะแหมมันเร้าใจที่จริงความเร้าใจความดิน้นรนของใจนี่แหละคือความเสียดแทง ถ้าสติปัญญาเราละเอียดอ่อนพอเราจะเห็นเลยทุกคราวที่จิตกระเพิ่มไหวขึ้นมามันก็คือความทุกข์ทั้งนั้นแหละจะกระเพิ่มเพราะสุขจะกระเพิ่มเพราะความทุกข์จะกระเพิ่มเพราะความดีจะกระเพิ่มเพราะความชั่วมันก็คือทุกข์ทั้งนั้นเลยะเนี่ยเราต้องค่อยๆฝึกนะจนสติปัญญามันแหลมคมขึ้นเห็นประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนรู้ความจริงเลยพอรู้ความจริงแล้วเราจะอุทานว่าอนิจจาวัตสังขารา รู้จักไหมเคยได้ยินหัหยวันนี้ไม่ได้ยินวันข้างหน้าก็ได้ยินนะยังมีคนเอาผ้ามาวางมีพระมาถือตลับปัดอ น, นิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหน่ออุปาทวยธรรมมิโนนะมีความเกิดขึ้นมานะปัจจิตวานิโรชันติดับไปเตสังวูปสโมสุขโขสังขารทั้งหลายสงบระ ง, งับดับไปได้เป็นสุข สังขารคือความปรุงของจิตปรุงดีก็ได้ปรุงชั่วก็ได้ปรุงว่างก็ได้นําความโทุกมาให้เป็นเครื่องเสียดแทงดังสิน้นเพราะงั้นจริงๆแล้วไม่ยากหาดู้สภาวะไปเรื่อยๆไม่ต้องรู้สภาวะทั้งหมดสภาวะธรรมทั้งหมดมีเจ็ดสิบสองตัวถ้าแยกอย่างละเอียดมีร้อยห้าสิบตัวเอาแยกอย่างหยาบเจ็ดสิบสองตัวเป็นจิตซะหนึ่งตัวนิพพานซะหนึ่งตัว นิพพานไม่ต้องดูเพราะไม่เห็ น, นยังไงก็ไม่เห็นปุถุชนไม่เคยเห็นนิพพานเราก็เหลือเจ็อดตัวในเจ็สบเอดตัวนีนเป็นจิตสัหนึ่งเป็นรูปส8บปดรูปเป็นเจตสิกคือสภาวนามธรรมที่เกิดร่วมกับจิตห้าบสองตัวเช่นสุขทุกข์ดีชั่วอะไรพวกนี้แยกละเอียดออกไปนะสติสมาธิปัญญาอะไรพวกนี้ นี่เป็นสภาวะที่เรียกว่าเจตสิกเกิดร่วมกับจิตเป็นนามนธรรมที่เกิดร่วมกับจิตตัวรูปมีสิปรูปเรามีไม่ครบอย่างรูปชนิดหนึ่งเป็นรูปที่จำแนกเพศนะคือยินซึ่งกำหนดให้เราเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอันเนี้ยเรามีอันเดียวเรามีอันเดียวส่วนเพศสับสนอะไรนั้นเป็นมิวเต็ดเรื่องแตกต่างจากความเป็นปกติออกไปงั้นเราแต่ละคนเนี้ย มีรูปสิบเจ็ดรูปนะเพราะว่าไม่มีรูปในเพศตรงข้านมะอย่างผู้ชายก็มีรูปผู้ชายไม่มีรูปผู้หญิงรูปผู้ชายเรียกว่าอะไรนะจันบุริสรูปนะเสียงเสียงเป็นฝรั่งไป น, นิดหนึ่งบุริสบุริษน ะ, ะนะอิทธรีรูปผู้หญิงรูปนผะู้หญิง แต่ไมรู้ผู้หญิงต้องอิดถีขึ้นจากอิดนะใช่ขี้อิดฉาอันนี้มุกนะอย่าไปแปลจริงนะภาษาบาลีวิบัติหมนอิดถีว่าผู้หญิงนะไม่ได้คําดูถูกเหยียดหยามนะพระพุทธเจ้ายกย่องผู้หญิงนะเวลาพูดถึงพ่อถึงแม่นะียมาตาปิดตุทุกทีเลยแม่ขึ้นก่อนทุกทีเลยนะนั่นพราพระพุทธเจ้ายกย่องผู้หญิงมาก แต่ทำไมไม่ให้ผู้หญิงบวชสังคมยุคที่พระพุทธเจ้าอยู่ไม่ยอมรับผู้หญิงยังเป็นแค่ทรัพย์สมบัติของผู้ชายเท่า น, นั้นเองเพั้นถ้าท่านให้ผู้หญิงมาบวชนั้นก็คือไปช่วงจิงสมบัติของคนอื่นแล้วเขาจะไม่ยอมสังคมจะไม่ยอมศา ส, สนาพุทธจะดํารงอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้เลยเพรนั้นไม่ใช่ว่าท่านหลังเกียรผู้หญิงนะอย่าน้อยใจนะวเกิดเป็นผู้หญิงบางคนก็ชอบสอนกันเป็นผู้หญิงอาภัพนะ เกิดมาด้วยกิเลสจํานวนมากอะไรเงี้ยดูดูสิผู้หญิงเป็นพระอรหันต์ก็มีผู้ชายตกนรกก็เยอะเห็นไหมเอาแน่นอนไม่ได้ฉะนั้นทะ่านไม่ได้รังเกยียจเรื่องเพศหรอกยิ่งภาวนาไปเรื่อยๆไม่มีเพศนะไม่รู้สึกผู้หญิงผู้ชายหรอกรู้สึกมันก็เป็นรูปเหมือนๆกันนะไม่ได้มีความตาม่างฉะั้นหันดูสภาวะนะหันดูเราไม่ต้องรู้เจสิบสองตัว รู้เท่าที่มีเท่าที่ดูได้เช่นเราเป็นคนชี้มโมโหเราดูสภาวะแค่จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้ดูมันสองตัวแค่เนี้ยจะยากนักหนาเหรอหรือว่ะชักมโมโหแล้วนะสอน <c oughs> ไม่เห็นมันจะยากอะไรเลยของง่ายๆบอกดูไม่ได้ดูไม่ได้ฟังแล้วอยากเบิดกระโหลกมันจะยากอะไรบางคนชี้โลกเจออะไรอยากได้หมดเลยนะเจอเมียชาวบ้านยังชอบเลย ไปเดินศูนย์การค้าเนี่ยนะกดเจอกนระทั่งเป็นหนี้ท่วมหัวหเลยกดบัตรเครดิตเจออะไรก็โลภหมดเลยพวกขี้โลภดูสองตัวก็พอแล้วจิตเดี๋ยวก็โลภจิตเดี๋ยวก็หายโลภดูแค่นี้แหละดูแค่เนี้ยนะเราเห็นจิตโลภมันหายไปได้เพราะอะไรเพราะเรารู้จักว่าจิตโลภมันหน้าตาเป็นยังไงรู้จักลักษณะเฉพาะของมันเราถึงเห็นมันเกิดดับได้นะ นี้เราเห็นแต่ละตัวเกิดดับเนีเพราะเรารู้จักลักษณะเฉพาะของมันก็มันดับไปใช่หไหมเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเกิดมาลักษณะไม่เหมือนเดิมแต่ที่เราฝึกใช่ไหมเช่นจิตโลภจิตไม่โลภเนี่ยจิตโลภกับจิตไม่โลภลักษณะไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็จะเห็นเลยทั้งคู่เกิดแล้วดับทั้งคู่บังคับไม่ได้ในส่วนเราก็จะเข้าใจลักษณะร่วมของทุกๆตัวเห็นทีละตัวทีละตัวเนี่ยเราก็เข้าใจลักษณะร่วม พอเข้าใจลักษณะร่วมนี้จิตจะไม่ดิ้นรนล่ะจิตจะปล่อยวางแล้วไม่ยึดถือแล้วไม่รู้จะ ย, ยึดทาไมวิ่งหาความสุขแทบตายแล้วความสุข ก, ก็อยู่ช่วคราวแล้วก็หายวิ่งหนีความทุกข์แทบตายความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเหมือนกันแล้วก็ห้ามไม่ได้นยมันจะมาห้ามมันไม่ได้พอรู้ถึงตรงนี้นะใจจะเป็นอิสระมีความสุขที่สุดเลยมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือน อาต่อไปส่งกันบ้านใครจําเป็นก็ส่งใครไม่จําเป็นก็ส่งใหม่ว่ามาเห็นจิตที่เศร้าหมองไห ม, มเวลาจิตมันเศร้าหมองดูออกไหมบางครนะั้งดจิตผิดหวังจิตอะไรเงี้ยดูออกไหมน่าดูไปเรื่อยๆหรือจิตที่เราประคองประคองแบบเนี้ยประคองแบบสังกตายอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันเกิดจากใจมันเศร้าหมองนะ เราไม่ได้เจริญสตนะิมันก็เลยประคองเพื่อให้มันนิ่งๆไม่ชิดมากนะมันเป็นการเข้าไปแทรกแซงเหมือนกันให้รู้เข้าไปเลยจิตเศร้าหมองรู้ว่าเศร้ามองนะกําลังไปแทรกแซงทำรู้ว่าธรรมรู้เข้าไปซื่อๆสังเกตไหมตรงที่เรารู้เข้าไปซื่อๆจิตมันสว่างขึ้นมาแต่ตรงนี้ยังบังคับให้นิ่งอยู่นะต้องปล่อยกล้าๆหนะ่อยปล่อยออกไป แล้วจิตสุขก็รู้จิตทุกก็รู้นะสมหวังผิดหวังรู้ไปได้ได้อๆอ่ะต่อไปรู้สึกว่าหายแน่นแล้วก็หายเครียดกว่าวันแรกเยอะมากเลยค่ะธรรมดาวันนี้จะกลับบ้านหายเครียดไม่ต้องอยู่วัดแล้ว <laughs> หนูดูไปจิตเครียดก็รู้จิตไม่เครียดก็รู้นะดูไปเรืได้ จิตกังวลก็รู้จิตไม่กังวลก็รู้ต่อไปนี้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปแล้วจะเห็นมันสลับกันไปเรื่อยตรงข้ามกันไปเรื่อยโกรธแล้วก็หายโกรธไหมโลภแล้วก็หายโลภอย่างงี้ดูไปเรื่อยเรื่ไปฝึกเอาเอาสามคนนี้ไม่สงเราอะยังเพ่งอยู่นะ อย่างเพ่งอยู่ทำไมเพ่งเพอยากดีเราจิตยังฟุ้งอยู่นะงั้นทำกรรมฐานไว้ใชอย่างหนึ่งหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกไปเรื่อยๆถ้ามันยังฟุ้งซ่านมากก็พุทธโธไปด้วยหายใจเข้าพุทใหายใจออกโทแล้วก็รู้ทันจิตใจไปส่วนคนนี้ยที่นั่งลบกระดานเนี้ยไม่ต้องแก้แล้ใช้ได้ฝึกไป ต่อไปใครจำเป็นขอที่จำเป็นนะที่คุยเล่นไม่เอาเสียเวลาคนนี้ไม่ต้องไม่ภานาเอาเองเราไม่ได้มีปัญหาเลยนะรู้ตัวไปรู้สบายสบายไปนะขันมันแยกแล้วเราเห็นขันมันทำงานฮนะ มาจากเนเธอร์แลนด์แล้วเป็นไงอ่ะก็เขาภาวนาใช้ได้อ่ะเอาๆให้ก็ได้เนเธอร์แลนด์ไม่ได้มีปัญหาคนที่เขาภาวนาใช้ได้นะอย่าไปประคองจิตให้นิ่งเท่านั้นแหละที่ฝึกอยู่นะถูกแล้วแต่ตรงเนี้ยผิดตรงเนี้ยประคองอดูออกเปล่าไม่ออกเห็นไหมหน้าสัน เห็นไหมร่างกายพยักหน้าดูกายไป ด, ดูจุดตรงนี้มีหูฟัง<ว>คนที่มีหูฟังมีสองจำพวกนะพวกหนึ่งพวกหูตึงกับพวกต่างประเทศจ่มีหูฟังเขาถามว่าเขาดูจิตมาประมาณสี่ปีแล้วเขาดีขึ้นเยอะแล้วนะ เ, า, เาถูกเขาดูจิตถูกไหมคะ เป็นคำถามที่เกรงใจมากเลยคือการถูกการผิดนะมันมันอย่างเราเรียนชั้นปถมใช่มแล้วเราก็ไปเรียนมัธยมเความรู้ของปถมมันไม่ผิดนะแต่มันก็ยังต้องมีสิ่งที่ต้องเรียนอีกเราไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วความรู้ชั้นมัธยมก็ไม่ได้ผิดแต่มันมีมากกว่านั้นอีกการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกมากขึ้นมากขึ้นเป็นลาดับ จนถึงขั้นสุดท้ายเราจะเข้าใจความจริงว่าร่างกายนี้จิตใจนี้เต็มไปได้วยความทุกข์ไม่มีความสุขจริงนั่นเป็นความรู้สูงสุดเลยคือรู้อริย ส, สัจสรู้ทุก์ว่ารูปนำขันห้านี้คือตัวทุกตอนนี้จิตของเขาเดินมาในร่องรอยที่ดีแล้วละ่ะอยังก็คอยสังเกตเอาอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งเท่านั้นเองแล้วก็ทุกวัน แบ่งเวลาไว้ทําสมถะบ้างจะไหว้พระสวดมนต์อะไรก็ทําจิตจะได้มีกําลังคนนี้จิตมีแรงอยู่นะแต่ว่ากําลังของเขายังไม่เต็มที่มันต้องทําทุกวันสมถะทําทุกวันสวดมนต์ไปพุโทโธหายใจอะไรก็ทำทุกวันแบ่งเวลาไว้แล้วเวลาที่เหลือเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยรู้เท่าทานันความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆฝึกเท่านี้พอละ แล้วความรู้ความเข้าใจมันจะพัฒนาขึ้นเป็นลําดับลําดับไปถ้าถามว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยถูกไหมถูกแล้วแล้วคให้ฝึกไปจะถูกยิ่งกว่านี้สังเกตหรือเปล่าใจมันโปร่งโล่งเบามากขึ้นสังเกตไหมความทุกข์มันหา่นหางออกไปโลกมันห่างเราออกไปเรื่อยๆนะความทุกข์มันห่างเราออกไปเรื่อยๆใจเราเป็นอิสระมากขึ้นเรื่อยๆ เราเดินมาในทิศทางที่ถูกแล้วล่ะเขาบอกว่าเขาดูกิเลสแล้วมันมันดับแล้วบางครั้งมันก็คงที่บางครั้งมันมันไม่ดับมันที่หลวงพ่บอกว่าดูจริงๆมันควรจะต้องดับเขาก็เลยอยากจะทราบว่ามันคือตัวนั้นหมายถึงจิตเราตั้งมั่นจริงๆแล้วนะจิตมีสมาธิจริงๆแล้วแล้วเห็นกิเลสลงไปมันจะเห็นเลยกิเลสไม่ใช่ตัวเราของเรากิเลสเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้นะมันจะแยกออกจากจิต จิตนะ่ะไม่มีกิเลสมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่สติเกิดนะ่ะไม่มีกิเลสแล้วละนี่เราไปดูกิเลสเราก็เห็นกิเลสนะ่ะมันอยู่นอกๆ ก, กิเลสไม่ใช่จิตหรอกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูอย่างนี้ไปโน่นอยู่ท้ายห้องไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อนานนะคะมันมันๆ น, น, นิดนึงค่ะแล้วก็ เหมือนมันมีโทสะแล้วมันมีความทุกข์ล้อมรอบรอคะค่ะทำสมถาบ้างเราทิ้งสมาธิไปแล้วใจก็เราร้อนขึ้นมานเมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมเล่นๆไปทำใจให้สบายสมาธิไม่พอแล้วใจมันเลยฟ้งสู้กิเลสไม่ไหวแล้วมันไม่มีแรง ไปทำสมถาเพิ่มขึ้นด้วยการเจริญเมตตานะคนเนเธอร์แลนด์ใจลอยรู้ไหมเอออย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติละใจลอยรู้ว่าใจลอยไม่ใช่ห้ามใจลอยนะใจลอยแล้วรู้ว่าใจลอยตอนนี้แอบไปคิดอีกแล้วรู้ไหมจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติ การนมัสการหลวงพ่อค่ะอืมหนูขอรายงานการปฏิบัติสองส่วนนะคะอืไม่ยาวนะค่ะส่วนแรกคือในคอสปฏิบัติคะ่ะหนูเห็นมีเสียงเ้าประตูหนูก็ไปเปิดประตูแล้วก็เห็นเป็นรูปอื ม, มันเหมือนถ่ายรูปเป็น ช, อ ช, อชออ็อตๆๆแล้วก็หเห็นว่าเป็นคําพูดขึ้นมาว่าลูกสาวแล้วมันก็ดับแล้วก็เห็นความดีใจแล้วมันก็ดับค่ะ แล้วมันก็กลับมาอยู่กับตัวค่ะมันจะเห็นหรือมันจะไม่เห็นไม่สําคัญหรอกน ะ, ะมันเห็นได้เพราะว่าสติมาที่เราสติเราช่วงนั้นกําลังพอดีค่ะดังน<ะ>ั้นจะเห็นตัวอย่างเป็นช็อตๆที่หลวงพ่อบอกมาเหมือนดูฟิล์มหนังแต่ละรูปอะนะทั้งรูปประธรรมทั้งนามธรรมาเป็นช็อตๆทั้งนั้นแหละคะ่นะดูยอย่างนั้นเลยมันเป็นอย่างไรก็เป็นไม่เป็นกขาช่างมันคะ่ะอย่าอยากเป็นนะอยากเป็นแล<ะ>้วใจจะดิ้นรนคะ่ะแล้วไม่เจออีกแล้ว อส่วนที่สองคือในชีวิตประจำวันนะคะพระอาจารย์ อ, อหนูยังติดอยู่คือเมื่อสี่ปีที่แล้วหนูเคยส่งรายงานพระอาจารย์ว่าตอนนั้นมันไปเห็นอย่างที่ยึดระหว่างตัวเองกับลูกอืแล้วก็มันทุกข์มากอแล้วก็เห็นใจว่ามันอยากอยากหลุดแล้วใจมันก็ดิ้นดินดินยิ่ง อ, อยากมันยิ่งทุกข์อะคะ่ะอืตอนนั้นคือร้องไห้ไปสามวันหลังจากนั้นพอ จิตมันเห็นเขาว่ามันจะเข้ารูปเดิมอะค่ะมันขยาดมันไม่กล้าดูอีกอะค่ะบางทีหนูต้องจเจริญมรณานุสติมันถึงจะสงบอะค่ะเอาสิจิตเราไม่มีกําลังพอก็ทํามรณานุสติไปค่ ะ, ะกล้ากล้านะใจมันไม่กล้าที่จะดูจนกระทั่งเห็นว่าตัวเราไม่มีมันรักตัวเราเหนียวแน่นนะแล้วก็ดูมรณานุสติไปได้มันจะได้ยอมรับบ้างว่าไม่นานก็ตาย ทำถูกแล้วล่ะขอบพระคุณค่ะหนูภาวนาอย่างละเอียดน ะ, ะแต่การภาวนาเนี่ยจะหยาบหรือจะละเอียดก็มีค่าเท่าๆกันนะงั้นบางคนจะตกใจว่าวุวตเขาพูดอะไรเราไม่รู้เรื่องเลยเป็นชอ็อตๆอะไรเงี้ยเราเป็นฉาดฉาดเราไม่เคยชอ็อตช็อตเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องตกใจแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ไม่ว่าสภาวะหยาบหรือสภาวะละเอียดก็สอนไใจลักษเท่าๆกัน เห็นไหมมันเป็นเองเห็นไหมมัน huh. บังคับไม่ได้เห็นไหมโลกนี้ไม่มีจริงดูไปเรื่อยๆห้ามคิดเยอะนะพื้นจิตช่างคิดเกินไปคิดวิเคราะห์มากเกินไปให้รู้เอาอยากคิดคนกว่ามากครบขึ้นค่ะครับกลับมามาสักกักบ์ครับหลวงพ่อให้หลวงพ่อเห็นตัวผลอยู่ที่ใด คือไม่ได้ส่งการบ้านมาประมาณสองปีครึ่งแล้วนะครับก็แต่ว่าสังเกตหรือเปล่าว่าจิตเราไม่เหมือนเดิมรู้สึกครับนะเห็นไหมโลกธาตุมันอยู่ต่างหากจิตมันอยู่ต่างหากแล้วก็เห็นช่วงหลังนี่ฟุ้งซ่านค่อนข้างเยอะก็เลยอะไรนะฟุ้งฟุ้งซ่านค่อนข้างเยอะนะครับฟุ้งซ่านค่อนข้างเยอะเลยบ่อยเกิดบ่อยเกิดบ่อยนะดีแสดงว่าสติเราเกิดบ่อยขึ้นแล้ว ก็พยายามทำคือทาในลุกบาศสมาธิสมาธิดีขึ้นเยอะแล้วนะแต่ต้องทำทุกวันเพราะว่ามันพร้อมจะพล่องไปนะทำสมถะแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนอย่าละเลยนะต้องทำนะจิตจะได้อยู่ในฐานมีกําลังตอนนี้จิตมีกําลังมากกว่าแต่กอ่อนแต่ว่ากาลังนียังไม่เข้มแข็งเท่าไหร่หรอกมันพร้อมจะรั่วไปนะแล้วก็การเจริญปัญญาตอนนี้เราแยก รูปนามได้เป็นธรรมชาติแนะ้วกายกับใจแยกกันชัดนะความรู้สึกเนึกคิดกับใจก็แยกออกชากกันได้แล้วต้องระวังอันหนึ่งก็คืออย่าประคองรักษาจิตเพราะต้องปล่อยให้ตัวจิตผู้รู้เองเกิดดับได้เหมือนกันไม่ใช่เห็นรูปธรรมเกิดดับนมามธทําเกิดดับแต่จิตเที่ยงอยู่นะอย่ารักษาจิตไวนะ้แค่นี้แหละไปทำเอาคแค่นี้ก็ยากนะยากค่อยๆฝึก วันนี้ภาวนากันเก่งๆ เ, งเยอะนะมิหน้าหลวงพ่อเทศอะไรยากๆสองวันเนี้ยสังเกตไหมสองวันนี้เทศธรรมะที่ละเอียดขึ้นไปมากเลยหลวงพ่อเมื่อวาหนหลวงพ่อก ง, งว่าเพราะอะไรเพราะอะไรอ๋อเพราะคนส่วนหนึ่งไปทอดกรถิน <laughs> <laughs> พวกชอบพิธีกรรมอะไม่อยู่ของเราพวกที่เหลือเนี่ยพวกเพียวๆที่จะเรียนธรรมะ ธรรมะมันเลยเด็ดขาดกว่ากันเยอะเลยเนี่ยเป็นอนุอนโมทนาพวกที่เข้าไปทอดกรถินนะะทําให้เราได้ฟังธรรมะเมื่อวานนะสงสัยเกิด อ, อะไรขึ้นมันมีใครมาฟังดูไม่ใช่ดูไม่ใช่นะ <laughs> <laughs> เกิด อ, อะไรขึ้นที่แท้พวกฟุ้งซ่านนะไปทอดกรถินหมดแล้วนะรักษาความดีของเราไว้นะ จิตใจของเราเนี่ยรักษาไว้มีสติเรียนรู้มันไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งเราจะได้พ้นจากความทุกข์แล้วจะมีความสุขมหาศาลเลย น, นะเอาว่ามาส่งกันบ้านครับก็อยู่ไหนให้หลวงพ่อโยนตโฉมก่อนมองไม่เห็นตัวครับก็ชอบเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยครับเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยฮะแล้วเปลี่ยนเมียบ่อยปเปล่ายังไม่มีครับเหรออย่าไปเอานะ เปลี่ยนกรรมฐานบ่อยเนี่ยเปลี่ยนใจบ่อยะะกรรมฐานนะอย่าเปลี่ยนบ่อยให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปเลยนะฝากเป็นฝากตายลงไปแต่เรารู้จักเลือกเลือกกรรมฐานอะไรที่เราทำได้จริงทำแล้วก็มีความสุขนะแล้วเราก็อยู่กับกรรมฐานนั้นไม่ท้อถอยเลยอย่างเราพุโทโธพุโทโธเราก็พุโทโธไปอย่างไม่ท้อถอยนะแต่บางที พุโทโธอย่างเดียวไม่ไหวก็เพิ่มขึ้นมาเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ไม่ไหวเพิ่มอีกอันหนึ่งได้ให้นับไปหายใจเข้าพุทออกโธนับหนึ่งพุทโทนับสองอะไรเงี้ยแต่อย่ากเกินสามอย่างแล้วเวลาเราทํากรรมฐานเนี่ยอย่าเปลี่ยนบ่อยถ้าเปลี่ยนบ่อยเราจะสังเกตจิตเรายากการที่เราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะ แล้วเรามีความสุขขึ้นมาเรารู้มีความทุกข์ขึ้นมาเรารู้สงบขึ้นมาเรารู้ฟุ้งซ่านขึ้นมาเรารู้เนี่ยเราทำกรรมฐานอย่างหนึง่งแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจแต่ถ้าเราทำกรรมฐานแล้วพอใจมันเบือ่อเราก็ไปเปลี่ยนกรรมฐานใหมน่นมันจะดูอะไรไม่ออกหรอกต้องอดทนนะทนเอาอย่าเปลี่ยนบ่อยครับสู้นะสู้ อยู่ที่ต้องต่อสู้เอาอดทนเอาอะไรก็เอาสัอย่างหนึ่งเช่นพุโทโธก็พุโทโธไปหายใจก็หายใจไปถ้าเช้าสายบ่ายเย็นเปลี่ยนเรื่อยๆ เ, เราจะดูใจไม่ออกเราจะรู้สึกใจเราตอนนี้มีความสุขเพราะอะไรเพราะเราได้เปลี่ยนมาใช้กรรมฐานอย่างนี้แล้วเดี๋ยวหายใจไปเรื่อยๆนะทุกขขึ้นมานล้วกลับไปพุโทโธนะ แล้วใจเรามีความสุขเพราะเราพุโทโธกลายเป็นเราสั่งใจเราได้การเปลี่ยนกรรมฐ า, านบ่อยๆแทนที่จะเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาจะเห็นว่าเราบังคับใจเราได้เราฉลาดเราสามารถทําใจให้มีความสุขให้มีความสงบอยู่สม่ําเสมอได้นี่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะรู้เลยเราบังคับไม่ได้จริงหรอกอดทนนะอดทนนะจำเป็นมากเรื่องความอดทนมีปัญหาอะไรอีกไหม ก็ไม่แน่ใจว่าที่ทําสมาธินี่ถูกหรือเปล่าครับใจมันยังฟุ้งอยู่นะแต่ว่ามันก็ดีขึ้นไม่ใช่ไม่ดีจิตตอนเนี้ดีกว่าแต่ก่อนมากแล้วละ แ, แล้วขันมันก็เริ่มแยกแล้วนี่เราก็ทํำกรรมฐานแล้วก็สังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยๆเอาจิตเป็นตัวหลักจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตดีจิตชั่วก็รู้นะเรียนรู้จิตไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ทำกรรมฐานเพื่อแก้ให้จิตดีไปเรื่อยๆสุขไปเรื่อยๆสงบไปเรื่อยๆนะทำกรรมฐานไปเพื่อจะได้รู้ทันจิตใจของตัวเองว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามาสักการหลวงพ่อค่ะคือหนูไม่ได้ส่งการบ้านมาหลายปีมากแล้วค่ะก็จากตอนนั้นตอนนี้หนูก็หนูรู้สึกว่าหนูตื่นเคยตื่นแล้วก็แยกขันได้ตอนนี้ตื่นเป็นมากอ่า หนูลืมลืมค่ะเห็นไหมว่าสัญญาไม่เที่ยงเห็นไหมห้ามมันไม่ได้มันลืมของมันเองะอย่าไปพุนคว้ามันทําใจสบายลืมแล้วก็แล้วไปปัจจุบันนี้เป็นยังไงตอนนี้ใจเต้นหนักมากเลยค่ะแล้วหนูก็พยายามประคองเพราะว่าวันวันนี้มาคือไม่เหมือนปกติปกติหนูจะรู้สึกว่าตัวเองฟุงฟ้งฟุ้งทั้งที่หนูพยายาม บริกรรมหนุพ่พยายามหนุ่มพลกรรมด้วยพุโทโธสุสุธโธะคะ่ะร่วมกับดูใจเต้นแต่ก็ยังฟุ้งเยอ ะ, ะคะ่ะตอนนั้นหรือตอนนี้ตอนอยู่ที่บ้านหรือตอนอยู่ที่บ้านค่ะแะตอนนี้คือหนู่ประคองใจเอออย่าไปประคองออมันนะถ้าประคองก็รู้ว่าประคองอยู่อยู่ที่บ้านใจฟุ้งซ่านแเรวก็พุโทโธไปเร็วๆหน่อยพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธให้ไหวขึ้นนิดนึงนะใจจะได้ไม่มีช่องโหว่ที่จะหนีไปเที่ยวที่อื่น นะเพราะฉะนั้นเวลาฟุง้งมากก็พุทธโทรเร็วๆ เ, เวลาจิตสงบก็พุทธโทสบายๆนะไม่บีบเคิดไม่มต้องพุดโทรเร็วตลอดก็มีจังหวะในการบริกรรมใช้แค่เราขับรถอนะ่ะเดี๋ยวก็วิ่งเร็วเดี๋ยวก็วิ่งช้าเดี๋ยวก็เหยียบเบรคเดี๋ยวก็เหยียบคันเร่งอนะไรเงี้ยการภาวนาก็เหมือนกันแหละบางเวลานะก็ต้องพุดโทรเร็วๆ เ, นะเพราะใจมันจะฟุ้งแรง บางเวลาใจมันสบายแล้วอย่าไปพุดโทเร็วมันเครียดเกินไปพุดโธเล่นๆไปเอาใจเป็นหลักนะเอาใจเป็นหลักมีอะไรอีกไหมอไอ้ที่ลืมไปนึกออกอยังอ๋อหนูคิดว่าคือหนูต้องการจะส่งกันบ้านหนูคิดว่าหนูสมาธิไม่พอแล้วก็หนูคิดว่าหลายๆครั้งหนูเห็นว่ากายหนูไม่เห็นเป็นไม่เป็นตัวเองแต่ว่าใจหนู รู้สึกว่ารักตัวเองมากรู้สึกเรียกตัวเองบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะถูกแล้วล่ะเ <c oughs> บื้องต้นมันจะเห็นกายไม่ใช่ตัวเราก่อนนะมันเห็นงาา่ายพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับคือคนที่ไม่เคยฟังธรรมะสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเรานะแต่มีแต่สาวกของท่านเนี่ยที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเราจะเห็นจิตไม่ใช่เราได้ต้องเห็นจิตมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงดูไปให้พอ แล้วมันจะไม่เป็นเราโอเคขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อจะมีสองขั้นตอนนะขั้นแรกให้ดูจนกระทั่งเห็นว่าไม่เป็นเราขั้นต่อไปจะดูจนกระทั่งเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราแต่มันเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นว่าไม่ใช่เราก็ได้โสดาถ้าเห็นตัวทุกข์นี่เรียกว่าเริ่มเห็นอริยสัจละถ้าเห็นกายเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างจะได้อนาคา ถ้าเห็นตัวจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์นะจะเป็นพรนนะอรหันต์แลขอบคุณค่ะอยากให้เขาทอดกฐะนิงกันทุกวนันทุกวนัวนนะเราเทศธรรมะ ม, มันกระชับกระเฉงหน่อยเป็นที่ส่งมาหลายปีแล้วครับอืมจำได้เพลงน้อยลงแล้วรู้สึกเปล่ารู้สึกครับนั่นแหละดีขึ้นแล้วล่ะเราเพลงน้อยลง ปล่อยให้จิตมันทำงานแล้วเรามีสติตามรู้มันไปเห็นความเบิกบานของจิตที่มันเกิดขึ้นไหมเห็นครับนั่นแหละก็เห็นอย่างนั้นนหะความเบิกบานเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะดูอย่างนั้นแหละเราพาวนา ม, มาได้ดีแล้วนะไปทำต่อมีปัญหาเวลานั่งสมาธิแล้วมันก็จะเคลิ้มมันเคลิมเคลิมครับนั่งแล้วเคลิมเคลิมแล้วก็หลับให้มันหลับไป นะให้หลับไปนะพอมันกลับมารู้สึกตัวแล้วดูต่อบางทีมันก็ติดกันสามสี่วันเลยคฮะนอนอย่างเงี้ยเป็นสามสีวันหลวงพ่อเคยเป็นเป็นเดือนเลยหลวงพ่อเคยเป็นเป็นเดือนเลยนะนั่งสมาธิก็หลับอุตสานั่งขัดสมาธิเพชรก็หลับเดินจงกรมก็หลับเดินชนฟ้าเลยใชครับเออเดินสิบนาทีก็เอาแนละ้วต้องลงไปนอนอ่ามันต้องอย่างนั้นเฮ้ยไม่ใช่ลงไปนอนม <laughs> นะหลับก็หลับหลับเราก็ยืนดูไปนะไม่ใช่วิ่งหนีไปนอนลูกเดียวนะพอนาไปจิตมันมาถูกทางแล้วมันมาได้ <ขอ S 1> ดีดแล้วครับหลวงพ่อไปถามหลวงปู่ซิมนะหลวงปู่พ่อแม่ครูอาจารยนะ์ให้ผมภาวนาตอนนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้หลับตลอดเลยท่านบอกผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไรภาวนาไปเเดี๋ยวก็จะได้ของดีนะั่เอง นี่อยู่ข้างหน้านี้คนเนเธอร์แลนด์น่ะอย่าเพ่งนะมันติดการที่ประคองให้จิตนิ่งๆอยู่ปล่อยให้มันทำงานกล้าหน่อยตอนที่ยิ้มอะขาดสติรู้สึกไหมตอนยิ้มใจมันเลอไไปเลยรู้สึกไปา มัสการค่ะหลวงพ่ อ, อคือเวลาใช้ชีวิตประจําวันอะคะ่ะหนูจะเห็นเออหนูทุกเพราะความคิดชอบส่งออกส่งออกอแต่ทีเนี้ยพอมันเห็นน่ะมันไม่สามารถรู้เฉยได้แล้วพอเออมันไปจิตมันไปนครุกอะคะ่ะมันเป็นอารมณ์แล้วมันคิดวนหนูก็เลยเออบอกว่าบอกตัวเองว่ามันไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างงี้คือหนูแทรกแซงจิตหรือเปล่าอะคะอันนั้นเป็นอุบายในการปฏิบัตินะ เพื่อให้จิตมันคลายการดิ้นรนลงเป็นการทําสมถะการมฐานค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องค่ะอ่าแลคือเวลาที่ อ, อย่างเช่นหนูนั่งอาณาใช่ไหมคะแล้วจิตไหลไปไปอยู่ที่มือหรืออยู่ที่ท้องอันนี้ค่ะคือหนูต้องปล่อยให้เขาไปอยู่ที่มือไม่ใช่หรือว่าเราหนูต้องกลับมาที่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยไปไม่ใช่ดึงคืน อย่างเราหายใจอยู่เนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องแล้วเราก็ไม่สนใจนะเราก็หายใจของเราปกติอย่าไปดึงจิตคืนนะถ้าไปดึงจิตคืนมานะจิตจะแน่นเลยใช้ไม่ได้หายใจเป็นปกติก็คือมันก็ต้องกลับมาอยู่ที่จมูกหลวงพ่อไม่ชอบใช้คาว่ากลับจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตนีไปอยู่ที่ท้องแล้วก็จิตกลับบ้านมันไม่ใช่การกลับ มันแค่ว่าเรามีมนัสสิการใส่ใจและลึกถึงการหายใจนี้ขึ้นมาใหม่ไม่ไปดึงจิตกลับมาน ะ, ะคำถาสุดท้ายค่ะหนะูพ่อแล้วก็คือช่วงนี้ค่ะหนเูเริ่มเริ่มเพิ่มเวลาในการภาวนาแต่รู้สึกว่าทําไมจิตตัวเองมันเริ่มรู้สึกจะพิ่งโทษคนอื่นแล้วแบบจิตอิจฉาดิษยาพยาบาทมาเต็มเลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราภาวนาอะไรผิดหรือเปล่านั่นแหละเราภาวนาถูก เราเห็นตัวจริงแล้วตัวจริงร้ายกว่าที่คิดเยอะเลยรู้สึกไหม <c oughs> ไม่ร้ายธรรมดานะมันเขาขั้นร้ายโคตรโคตทุกคนอะ่ะแล้วใช่หมเจ้าค่ะแล้วก็ทําสมถะบ้างนะไม่งั้นใจหนูจะฟุ้งอย่างรวดเร็วเลย <c oughs> หายใจไปแล้วก็เห็นร่างกายหาย ใ, ใจ ใ, ใจเป็นคนดูไม่ต้องเจริญปัญญาอะไร ดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูสบายๆไปเรื่อยๆแบ่งเวลาไว้ทำแบบนี้บ้างาถ้าไม่งั้นสมาธิไม่พอแจมจะฟุงฟ้งแล้วฟุ้งแล้วเวลามันเพ่งโทษคนอื่นมันจะไปตีกับเขาว่ามา่ารหลวงพ่อค่ะ ม, มาจากไหนอ่ะมาจากพัทยาค่ะ พัทยานี่เองเหรอจ้าหลวงพ่อว่าหนูติดเพ่งน้อยแต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้หนูว่าเหมือนติดเพ่งเยอะค่ะเออเพ่งเราก็รู้ว่าเพ่งสินะเหมือนเพ่งเพราะมันอยากดีดูออกไหมเพ่งเพราะอยากดีถ้าใจมันอยากดีรู้ว่าอยากไปเลยมันก็เลิกเพ่งไปเองแหละแล้วรู้สึกไหมเพ่งแล้วเหนื่อยเออเราไปเพ่งหาอะไร <น>ขอการบ้านได้ไหมหายใจไปพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยหาใจมันทำงาน<ช>หายใจไปพุโทโธไปจิตใจมีความสุ ข, ขก็รู้หายใจไปพุโทโธไปจิตใจเครื่องเครียดก็รู้<น>ะดูง่ายๆเนี่ยดูสุขดูทุกข์แค่นี้สองตัวนี้ก็พอแล้ว <นะ S 1> ขอบคุณค่ะอ้าวคนเนเธอร์แลนด์ส่งกันบ้านยังมีเวลาเห็นไหมพอให้ส่งจริงงงแล้ว <laughs> แต่จริงๆไม่มีเิ่มส่งหรอกนะส่งไม่ก็ได้ครับทํ <Yes. S 2> ทำนะถูกแล้วใช่ไหมคะไม่ถูกยังเพ่งอยู่มันเพ่งอยู่ตลอดเวลารู้สึกไหมใจมันแน่นแสังเกตไหมว่าสิ่งต่างๆเคลื่อนไหวแต่ใจนิ่งนิ่งไอ้ที่ใจนิ่งนิ่งอะไม่เอานะ ใจก็ต้องเคลื่อนไหวได้เกิดดับได้ปัญญาเราถึงจะเกิดถ้าในขันห้าเราเห็นรูปเวทนาสัญญาสาังขารเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับแต่วิญญาณคือตัวจิตนิ่งเฉยเป็นคนดูนิ่งนิ่งอยู่เฉยไม่เกิดไม่ดับนะตัวนี้เราจะล้างความเห็นผิดเป็นพระโสดาบันไม่ได้มันยังสงวนตัวจิตเอาไว้เป็นตัวตนอยู่ เป็นตัวเราเป็นของเราเป็นของเที่ยงอยู่สี่ตัวนั้นไม่เที่ยงไปหมดแล้วเหลือไอ้ตัวดูนี้เที่ยงอยู่อย่างนี้เป็นปีก็อยู่ได้อยู่สิบปีอยู่ร อ, อยปีนะอยู่เป็นแสนแสนปีก็อยู่ได้ถ้าไปเป็ น, ปนรฟมนะส่งไว้อย่างนี้ดูเอายังที่จิตนูทำนะทำอย่างนี้ยดูก็เออก็คิดเหมือนกันว่ามันติดเฉยมาก นี่ไงทําให้ดูแล้วหนูรู้สึกไหมพอหนูรู้ทันหนูหลุดออกมาแล้วหนูรู้สึกไหมจิตขนาดเนี้คือจิตผู้รู้ที่ถูกต้องงั้นเมื่อกี้ที่หลวงพ่อทำคัอปี้ของหนูเพื่อให้หนูดูให้ออกเท่านั้นพอหนูดูออกแล้วจิตมันจะหลุดออกมาเลยดูสิ่งที่เราติดอยู่กําลังเริ่มคืบคลานเข้าไปแล้วเล่าปวดแล้ว นะสังเกตมือไว้ไหมมันยังเกรงอยู่ไหมจิตมันเกรงปัญหาของหนูไม่มีตัวไหนหรอกมีตัวนี้หละคือจิตเนี่ยถูกล็อกเอาไว้แนละ้ว เ, เ, เราจะใช้อุบายยังไงให้อุบายเอาอุบายมาทำอะไรนะเราดูมันไปสิที่เราไปล็อกไว้เพราะเราอยากดี เราอยากรู้ตัวตลอดเวลาเราอยากจะ ด, ดีมันมาจากอยากไม่เห็นต้องมีอุบายอะไรเลยนะรู้ทันใจที่อยากปฏิบัตินั้วแหละพอความอยากหายมันก็เลิกเพลงไปเองเลยสังเกตไหม ใ, หใจหนีไปคิดแล้วอย่างนี้ดีกว่านะสังเกตไหม ใ, หใจมันเบากว่าเมื่อกี้ทั้งๆ ท, ที่มันหนีไปคิดนี่นแหละมันหนีไปคิดแล้วเรามีสติรู้นะเราจะได้จิตฟูรู้ขึ้นมา แต่ถ้าเรามีจิตผู้รู้ตลอดเวลามันคือจิตผู้เพ่งทำยากไปทำ <c oughs> ไม่เข้าไปเลมันเหมือนว่าเวลาเราเออเวลาเรารู้ไปแล้วเราไม่อยากรู้แล้วเราไม่กลับรีบกลับมารู้ใหม่รีบกลับมาอยากรู้ใหม่โดยที่เราไม่คิดว่าเราอยากไ อ, อ้ที่รีบนั่นแหละโลภนะเพราะ้มันจะไปก็รู้มันจะกลับมาก็รู้มันอยากกลับมาก็รู้นะ รู้ทันใจที่อยากไปเรื่อยๆปัญหาของหนูไม่มีอะไรหรอกนะมันอยากจะได้เร็วๆมันอยากได้ผลเพราะงั้นให้รู้ทันใจที่อยากไปเรื่อยๆอยากขึ้นเมื่อไหร่ก็รู้อยากเมื่อไหร่ก็รู้แล้วใจมันจะหลุดออกมาเองก็ดูแค่ว่าอ๋ออยากแล้วใช่แค่นั้นเลยจะ อ, อะไรนักหนาี<ๆ>่ ใ, ใครไม่เคยได้ยินเสียงนกกรบเอนมันเลยเขิน นกระว่าวนะเวลามันร้องเพื่อประกาศอาณาเขตเนี่ยเสียงจะดุเนี่ยเสียงดุถ้าเวลาร้องจีบสาวนะี่เสียงหวานมากเลยนะเสียงนี้อ่อนหวานเราฟังเสียงนกเราก็รู้ว่ามันพูดอะไรกันนะคือสำเนียงมันเราไม่ต้องมีอทธิิ์เลยหรอกอยู่กับธรรมชาติมากๆนะสังเกตสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่เนี่ยไก่ ทำไมร้องแล้วไหมตะกี้นี้ไก่นั้นหลงไหมไก่หลงหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่พวกเราหลงเนี่ยสองครั้งที่ร้องเนี่ยมันไม่เหมือนกันร้องทีแรกนะร้องเริ่มร้องใหม่ๆตั้งใจจะร้องร้องครั้งหลังเนี่ยร้องแบบมันนะร้องแบบกูกูจะร้องแล้วหน้ามืดแล้ว นะตัวอะไรัวร้อเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าเห็นไหมรู้สึกไปหมดแล้วที่ลงชื่อไว้ ส, ส่งใหม่มานมัส ก, การกับหลวงพ่อเพิ่งมาครั้งแรกครับเมื่อเมื่อก่อนนั้นปฏิบัติ สมถะครับแล้วก็เพิ่งจะมารู้จักหลวงพ่อเมื่อปลายเดือนสิงหาครับก็ปฏิบัติตามแบบของหลวงพ่อสิงหาเนี่ยเหรอครับทําได้เร็วนะ จ, จ, จิตมันหลุดจากการเพ่งออกมาได้เยอะและนะ้วอย่างเหลือการเพ่งนิดหน่อยดวออกไหมครับมันยังบังคับอยู่นิดๆ ด, ดีขึ้นเยอะครับขอบคุณครับเป็นคนใจกล้าหาันไหมครับขี้โมโหหรือเปล่าขี้โมโ ห, หมงั้นเอาไว้ก่อน กรรมฐานบางอย่างบอกแล้วมันจะหมูใครรู้ทันกิเลสของเราไว้นะกิเลสของเราคอยรู้ไปเรื่อยๆคนนี้่ะส่งกันบ้านธรรมศการครับก็สังเกตไหมตอนที่นั่งฟังมาตลอดเนี่ยจิตเป็นธรรมชาติครับตอนนี้จิตไม่เป็นธรรมชาติรู้สึกไหม ใช้ได้แล้วไปภาวนาต่อภาวนาได้ดีนะทำได้ดีเช่ละของโยมก็ดีแต่ของโยมมันยังมีการเพ่งด้วยความเคยชินอยู่อย่างไม่กิ้มทําเงี้ยไม่มากไม่มากชายหนุ่มเนี้ยเริ่มเพ่งแล้วอย่ารักษาที่หลวงพ่อบอกว่าดีไม่ต้องรักษานะ ไม่ดีก็ได้ไม่ดีเรารู้ว่าไม่ดีอ๋อถ้ารักษาแล้วมันจะเพ่งคนที่หลวงพ่อชมเนี่ยเสียทุกคน <c oughs> จะต้องเสียไปช่วงหนึ่งอ่ะทุกคนเพราะอะไรเพราะเราอยากดีตลอดแล้วมันทำไม่ได้หรอกไม่มีใครทำได้ของโยมผู้ชายนั้นอ่ะมันยังเคยชินที่จะบังคับอยู่นะมันยังไม่หมดค่อยๆปล่อยไปค่อยๆเรียนรู้ หมดแล้วล่ะเชิญกลับบ้านดีจังทอดกริน <laughs>